น้อมคารมะหลวงพ่อกำเขียนสุวรรณโนกลาบโขอากาสพระจันทร์ไทยสารกราบโขอากาสพระจันยุกิกลาบโขอากาสพระจันมนกกลาบโขอากาสพระจันมนัทนาชัยกราบโขอากาศจากพระจันสุรินทร์ก็โอกาสจากพวกเราเพื่อนสา ธ, ธมิกนะฮะแล้วก็ เจริญพรเหมือนอย่างแม่ชีแล้วก็พวกเราเนาะอุบาสกบาศิการประจำที่มาอยู่ที่วัดสุกตะก็เจ็ดเดือนเต็มเต็มเนาะตั้งแต่กลางมกรา <c oughs> เป็นต้นมาก็เรียกว่าขาด <c oughs> ขาดกิจวัตรปกติ จะเป็นบินธบาตก็ดีจะเป็นมาธรมัดก็ดีเช้าเย็นแรงต่างๆนานานเหล่านี้ก็เนื่องจากว่าต้องอยู่ตรงตรงก็เรียกว่าคอยช่วยหลวงพ่อในส่วนที่หลวงพ่อทำไม่ได้ตั้งแต่หลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลตอนนู้นเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนปลายปี แล้วพอเขียนก็ท่านก็เริ่มาท่านท่านแจ้งว่าท่านเจ็บคอเจ็บคอแล้วก็กลืนอาหารไม่ค่อยสะดวกเนี่ยเนะี่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะปลายปีที่แล้วก็อากาศเย็นๆใช่ไหมฮะอากาศเปลี่ยนอากาศเย็นปีนีปน้ปีที่แล้วก็อากาศก็เย็นต่อเนื่องกันยาวคนก็ป่วยกันเยอะ ป่วยกับอากาศก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยในะลำคออะไรต่างๆนานานะเป็นหวัดเป็นอะไรต่งางๆก็เพราะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อบอกก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะอย่างนั้นหลวงพ่อก็รู้จกักดูแลตัวเองเรื่องอยู่เรื่องยานะี่ก็ไม่ได้นั่นอะไรก็เป็นคำประลบที่ท่านบอกให้เราฟังเราก็ฟังเอาไว้ แต่ว่าตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้อยู่นะฮะก็ไปเดินทูดงอยู่ยังไม่ได้กลับเข้ามาพอกลับเข้ามาต้นเดินมกกาลาเนี่ยก็สถานการณ์ของความเจ็บคอเนี่ยก็มากขึ้นในขณะที่ยาเม็ดที่เคยที่เคยถวายหลวงพ่อฉันอยู่ทุกเช้าเนี่ยก็ต้องย่อยลงย่อยย่อยให้เป็นเม็ด เล็กลงแล้วซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่แสดงว่าความเจ็บคอของหลวงพ่อก็มากขึ้นเนี่ยก็ตอนนั้นก็ถวายยาฟ้าทะลายโจรหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อบอกว่าปกติถ้าเจ็บคอเนี่ยถ้าเอาฟ้าทะลายโจรกลั้วคอตลางคืนตอนเช้าก็จะหายหรืออย่างน้อยที่สุดก็เกือบเกือบหายก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็น เป็นยาแก้อักเสบที่ดีที่สุดสำหรับอาการเจ็บคอเนาะวิธีการก็คือเราก็จะเอาใบฟ้าทลายโจรักใบสดเนี่ยใบเนาะใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เอาน้ำร้อนเทลงไปประมาณสักนในสหรือหรือครึ่งแก้วพอน้ำอุ่นๆก็กลัวคอแล้วก็กลืนลงไปเลย ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าก็เป็นสิ่งที่จะแก้การเจ็บคอได้ดีที่สุดเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอเราถ่ายยาหลวงพ่ออย่างนี้แล้วก็หลวงพ่อก็ยังไม่หายเจ็บเนาะแล้วก็เราก็พบว่าจริงๆนะ่ะที่ห้องเนี่ยที่ห้องพักของหลวงพ่อก็จะมีปลอกยาฟ้าทะลาโจรเนี่ย อยู่หล่นๆอยู่ตามพื้นเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะถวายหลวงพ่อเนี่ยอยู่บ้างแล้วหลวงพ่อก็ใช้อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เราก็รู้สึกว่าอืมมีมีอะไรที่ผิดปกติสักอย่างหนึ่งวันที่เจ็ดมกุลาก็นัดหมอเนาะนัดหมอตามบาละปกติหกเดือนครั้งหนึ่งหกเดือนครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไป ไปหาหมอก็คราวนั้นก็พอไปหาหมอก็หลวงพ่อก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องกานเจ็บคอเราก็ลืมนึกไปที่จะปรึกษากับหมอเพราะว่าจริงๆคราวนั้นไปหาด้วยเรื่องที่เรื่องของความดันจริงๆไม่ใช่ทุกเดือนทุกสามเดือนก็ต้องไปเรื่องความดันก็ปรากฏว่าก็กลับมาวันที่เจ็ดกลับมา พอวันที่9หลวงพ่อก็กลืนยายากขึ้นอีกอย่างเงี้ยก็ว่าสถานการณ์เนี้ยเป็นสถานการณ์ที่ไม่ไม่ปกติแล้วหลวงพ่อเพิ่งไปมา2วันนะกลับมาก็มีปัญหามากขนาดนี้ก็ว่าต้องปรึกษาไปทางคุณหมอโลกมะเร็งเก่าที่เคยดูแลก็โยมพี่หมูก็ ติดต่อไปนะฮะปรากฏว่าคุณหมอก็นัด น, นัดนัดให้ไปพบวันที่ยีิบสองมกราเนาะก็ไปพบหมอหมอก็ตรวจนะฮะตามตามขั้นตอนปกติทุกอย่างนะก็หมอหมอก็จะตรวจเรื่องค ล, าคลา้ายๆ่าเนื่องจากคุณหมอเป็น คุณหมอโล ก, โลกเลือดนะที่ดูแลหลวงพ่อเรื่องมะเร็งต่อน้ำเหลืองในคราวที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอตรวจเบื้องต้นก็คือต่อน้ำเหลืองมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะปรากฏว่าก็เท่าที่ดูสีหน้าท่าทางของคุณหมอก็ไม่มีอะไรที่ดูดผิดปกติไปคุณหมอก็ตรวจตามทุกอย่างตามปกติพอจบการตรวจ ก็คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวลองขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งข้างบนน่ยจะมีหมอหูคอจมูกน่ยนะอย่างนั้นก็พราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้ไม่พบอะไรปรากฏว่าก็ขึ้นไปพบหมอหูคอจมูกหมอก็ส่องส่องกล้องดูเป็นกล้องลูกกลวยเล็กๆนะฮะส่องด้วยตาจากข้างนอกเนี่ยแต่ว่าปลายทางก็ลงเข้าไปถึงในลําคอปรากฏว่าคุณหมอก็ บอกบอกว่ามันมีตุ่มคุณหมอไม่ได้ไม่ได้บอกกับเรานะฮะแต่บอกกับคุณหมอที่ที่ส่งขึ้นมาตรวจเนี่ยรายงานในคุณหมอทางคุณหมอดมศักดิ์ที่เป็นเจ้าของไข่หลวงพอ่อในแต่ก่อนเนี่ยบอกว่ามันมีตุ่มเกิดขึ้นมาใกล้ๆ ก, ก, กับต่อมไทรอยอย่างเงี้ยก็เราก็กลับลงไปเจอคุณหมอดมศักดิ์อีกครั้งคุณหมอดมศักดิ์ก็บอกบอกว่าให้เรานัดทา เพทสแกนเพทสแกนก็จะเป็นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ละเอียดอันหนึ่ง น, นะบอกว่าให้นัดทำเพทสแกนปรากฏว่าก็เราก็นัดเลยทันทีแล้วก็แบบได้ได้นัดวันที่ที่29กามกราเนพอนัดวันที่2ี่กามกาเนก็ทำเพทสแกนตอนนั้นก็ติดตุดจีนเนาะ คุณหมอก็นัดให้มาดูมาดูผลนในวันที่ในวันที่สองหรือวันที่สามมกราคมเอ๊ะสองหรือสามกุมภาเนี่แหละปรากฏว่าพอนัดวันที่สองวันที่สามกุมภานเนี่ยก็ปรากฏว่าผลของเพจสแกนเนี่ยก็มีค่ะมีสัญญาณของโรคมะเร็งเกิดขึ้นตรงนั้นคุณหมอก็ ยังไม่ได้บอกอะไรเราเนาะก็มีเปลียงแต่ว่าอ่านอ่านในใบคล้ายๆว่าใบตรวจคล่าวๆเนาะเท่าที่เราพอที่จะเหมือนกับพ่ออ่านได้เนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับมันมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นวันที่สี่คุณหมอก็นัดสีค่คุมพาคุณหมอก็นัดว่ามาตรวจอ่าก็เรียกว่า มาส่องกล้องตรวจเนาะส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารแล้วก็บอกว่างดงดน้ำงดน า, ารในช่วงระหว่างนั้นก็จะเป็นช่วงที่หลวงพ่อเองก็เหมือนกับก็ยังขึ้นทำมัดขึ้น ท, ทำอะไรทาปกติเนาะเทศสุดท้ายของหลวงพ่อเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นวันทยี่สิบเอ็ดมกราก่อนที่เราจะเข้า ก่อนที่สายๆวันนั้นเราจะเข้าโรงพยาบาลจุฬาเข้าเมเข้ากรุงเทพเนะาะหลวงพ่อก็ขึ้นมาเทศทุกวันตรงนี้ก็หลวงพ่อก็ทําหน้าที่ของหลวงพ่อเป็นปกติมากๆนะแต่ว่าในส่วนของเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็พบว่าหลวงพ่อก็ขื้นอาหารยากขึ้นยากขึ้นในวันที่ยี่สิบเอ็ดในวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่หลวงพ่อ ก็รับนิมนต์เนาะไปฉันเพนคุณหมอเอาประสาทก็สังเกตบอกว่าหลวงพ่อกลืนอาหารเนี่ยดังเอื้อบางคํา <c oughs> คือคันก็กลืนอาหารดังเอื้อกก็คือหลวงพ่อก็จะฉันข้าต้มเนาะใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้กลืนยากอะไรแต่ว่าปรากฏว่านักหลวงพ่อก็กลืนดังเอือ้อให้เราให้เราได้ยินอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นก็ปรากฏว่าตรงนั้นก็ เป็นเรื่องของการกลืนอาหารหลวงพ่อก็กลืนยากๆวันที่กลับมาจากกลับมาจากโรงพยาบาลจุฬาอีกครั้งหนึ่งก็คุณหมอประาศาทก็นิมนต์ฉันอีกทีหนึ่งวันที่ยี่สิบห้ามกราฯกลับไปกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นหรือวันที่เนี่ยอาจจะจําไม่ได้แน่นอนนะ่ยยีสี่หรือยีิบห้าเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอประาศาสตรก็บอกเราบอกว่า วันนี้หลวงพ่อกลืนอาหารดังเอื้อมมากขึ้นคือเหมือนกับว่าคราวก่อนนั้นบางคําดังเอื้อกแต่คราวนี้ก็กลืนน้ำก็ดังเอื้อกก็น้ำก็กลืนลำบากขึ้นแล้วก็ในช่วงนั้นก่อนที่จะถึงวันที่สี่กุมภาเนี่ยหลวงพ่อก็ตอนเย็นนะฮะหลวงพ่อฉันอาหารได้น้อยลงมากๆเนื่องจากว่าหลวงพ่อบอกว่าสงสัยคอหลวงพ่อเนี่ยจะเหลือ ช่องอยู่แค่ประมาณเม็ดข้าวสารหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะแล้วก็ตอนเย็นหลวงพ่อก็ขอขอให้พวกเราจัดโจ๊กถวายหลวงพ่อเพระเนื่องจากว่าหลวงพ่อก็กลืนอาหารได้น้อยมากๆนะน้อยมากๆในช่วงการฉันเช้ชาปกติที่หลวงพ่อเคยชันเป็นอาหารหนักก็ก็ฉันได้ไม่เท่าไหร่เพราะ น, น, นั่นคือตอนเย็นก็ต้อ ง, ต, องต้องมีอาหารถวายหลวงพ่อ ก็เป็นโจกนะชคนั้นก็จะเหลือเป็นโจกอย่างเดียวซึ่งโจกหลวงพ่อก็จะตักนิดๆนะคําเล็กๆคําเล็กๆถ้าใหญ่อยกว่านั้นก็จะก็เรียกว่าจะสําลักซึ่งแค่คําเล็กๆเวลากลืนหลวงพ่อก็จะมีการกระแอมกอายมีมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าความที่หลวงพ่อก็เหมือนกับว่ามีสติกับการตักการกลืนในตานานๆเหล่านี้เพราะนั้นนั่นคือ อาการที่หลวงพ่อบอกว่ามีคอมีหลอดอาหารมีช่องอยู่ประมาณสักเม็ดข้าวสารเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทาให้หลวงพ่อสําลักอะไรหน้าเขียวหน้าเหลืองอะไรนะก็มีแค่กระแอมกับไอนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พอเช้าวันที่4เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่านั่นหลวงพ่อกลืนอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะเนื่องจากว่าหมอก็สั่งมา วันนี้จะสองกล้องนะก็้องกดน้ำกดอาหารปรากฏว่าเวลาสองกล้องเนี่ยก็เป็นเวลาที่ประมาณสิบโมงเชานะ้าเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นเป็นเวลาที่ที่สมควรหลวงพ่อจะได้ฉันยาความดันหลวงพ่อก็บอ ก, บอกว่ามันมีมีอาการถามคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าก็ก็ฉันได้นะก็ยมพี่หมูก็จัดยาให้หลวงพอ่อยาเม็ด ยาเม็ดความดันเป็นยาเม็ดเล็กๆเกนาะปรากฏว่าก็ย่อยให้หลวงพ่อเป็นประมาณสักแปี่เม็ดเล็กนิดเดียวนะหลวงพ่อก็บอกว่าเล็กกว่านั้นอีกเล็กกว่านั้นอีกอย่างเงี้ย น, นะก็ปรากฏว่าก็จัดให้หลวงพ่อตามที่หลวงพ่อบอกกลืนหลวงพ่อกลืนปุ๊บนะฮะ ก, ก, นนะก็กลืนไม่ลงนะฮะกลืนไม่ลงหลวงพ่อก็อมน้ําอยู่นานก็กลืนไม่ลง เงี้ยปรากฏว่าหลวงพอก็พยายามกลืนอยู่ก็กลืนไม่ลงนะฮะอย่างเง้ยก็ถึงเวลาที่เราก็าไปตรวจนะฮะตรวจเรียกว่าสองกล้องตรวจพอ ด, ดีที่ห้องสองกล้องตรวจก็หมอก็พบว่าพออ้า ป, ปากขึ้นมาสองกล้องปุ๊บก็ยาก็ค้างอยู่ที่ ครั้งอยู่ที่คอด้านล่างเนาะก่อนที่จะกลืนลงไปลงไปต่ํากว่าตินไก่ลงไปอีกหน่อยปรากฏว่าก็นั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับหมอก็เห็นอยู่เลยนะครับว่าลาคอเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะใช้กลืนอาหารได้ ก, ก็หมอก็เลือกกล้องเนาะครั้งแรกก็เลือกกล้องที่ใหญ่หน่อยที่จะใส่ปรากฏว่าหาช่องใส่ไม่ได้ ก็พยายามปลุกปล้ำกันต้งเล็กใช้คําว่าปลุกปล้ำกันอิรุกอิรักอยูระยะหนึ่งปรากฏว่าท้ายสุดก็ไปหากล้องที่เป็นกล้องเล็กๆมา ก, ก็พยายามที่จะใส่ปรากฏว่าก็กล้องเล็กๆก็ใส่ลงไปได้ก็พอผ่านจุดพอผ่านจุดที่ตันตรงนั้นไปเนี่ยก็คุณหมอก็ พูดขึ้นมาว่าอข้างล่างไม่เห็นมีอะไรนี่อย่างนี้เนะาะดังนั้นก็ปรากฏว่าคุณหมอก็หันมาถามเราบอกว่าอืจะต้องใส่สายยางใส่าใสายยางให้อาหารเนี่ยจะใส่เลยไหมอย่างเนี้นะเราก็บอกแบบว่าเอาก็มันกลืนอาหารไม่ได้แล้วว่าคุณหมอก็ใส่เลยอย่างนี้นะฮะก็ปรากฏว่าก็ คุณหมอก็ใส่สายยางทั้งจมูกนะใส่เพื่อที่ว่าหลวงพ่อก็จะได้ให้อาหารทางสายยางแล้วก็หลวงพ่อก็แอดมิตที่โรงพยาบาลจุฬาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการกลืนอาหารของหลวงพ่อก็จบลงนะฮะแล้วก็ต้องใช้สายยางตั้งแต่วันที่4กุ่้มพาเป็นต้นมาแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแบบ เป็นคนไข้ประจำโรงพยาบาลโดยที่ก็ไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรแต่ว่าความเป็นพระก็สะดวกนะเพราเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าใช่ไหมจีวรสังขติอะไรทุกอย่างก็ที่ก็ติดติดตัวอยู่พร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือการเข้าพักโรงพยาบาลของพระก็ง่ายก็เข้าพักเลยตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็อยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่นั้นมาแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆว่า มีก็เรียกต้องมีสายยางประกอบการให้อาหารตั้งแต่นั้นมานะจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของหลวงพ่อในวันที่ยี่สิบสามเนาะที่ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เธาเรียกว่าร่างกายหลวงพ่อก็น่าจะมีโรคมะเร็งเนาะก็เรียกว่า ก่อก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนช่วงนั้นก็ยังที่บอกว่าวันที่22มันเป็นตุ่มเล็กๆที่ก็แสดงขึ้นมาแต่ว่าอาการตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำลงอยู่เนาะตลอดเจเดือนที่ผ่านมามะเร็งก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นเนาะก็ตรงนี้เนี่ยเราในช่วงในช่วงต้นๆจริงๆนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับ ไม่ค่อยได้เห็นความก้าวหน้าอะไรมากนักของของตัวโลกเหมือนกับการที่จะปรากฏออกมาด้านนอกหรือเรอื่องตานานๆเหล่านี้ก็น้อยตอมน้ําเหลืองที่ข้างๆเยท่าว่าใต้หูเนี่ยเหมือนกับปรากฏขึ้นมาก็ประมาณตอนนี้จําไม่ได้นะฮะก็น่าจะประมาณสักสองเดือนหลังจากนั้นนะ เหมือนว่ากลับมาอยู่ที่วัดแล้วได้วยซ้าไปเพราะเนื่องจากเราอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนนะวันที่ยี่สิบหกมีนาก็กลับมาตำน้ำเหลืองก็ที่ที่มาเห็นนะฮะก็เหมือนกับว่าจุดจุดตรงเนี้ยก็โตแล้วก็ตั้งแต่เห็นโตมาก็มันก็จะมีโตโตยุบยุบนะเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นมาเรื่อยๆ แต่ว่าตรงนั้นก็ขนาดก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นม า, นมาจนกระทั่งวันสุดท้ายวันที่23เนี่ยก็เป็นวันที่คืนนั้นหลวงพ่อก็ต้องใช้ออกซิเจนเนาะจริงๆในสองเดือนย้อนกลับไปเนี่ยหลวงพ่อก็ถือว่าการหายใจอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้ถือว่าดีมากนะดีมากคือก่อนหน้าที่จะถึงสองเดือน สุดท้ายนี้หลวงพ่อบางวันเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนต่อเนื่องกันถึงสี่วันอย่างเนี้ยบางทีทั้งเช้าทั้งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเลยเนีอย่างเนี้ยนะบางทีก็เหมือนกับว่าเว้นนิดนิดเนี่หน่อยก็ใช้ออกซิเจนแต่สองเดือนย้อนหลังกลับไปก็ปรากฏว่าหลวงพ่อก็ค่อนข้างค่อนข้างดีมากๆมีอยู่คืนหนึ่งที่หลวงพ่อไม่ขอรับออกซิเจนเพราะเนื่องจากว่า รอบรอบรอบค อ, อ, อตรงช่วงนี้เนี่ยตัวก้อนก็ขยายใหญ่ขึ้นมากแล้วก็เวลาที่เราไปสัมผัสด้วยการที่ด้วยการที่อะไรนะเขาเรียกว่าใช้สายเนาะใช้สายสายเชือกที่จะรัดรัดคอหลวงพ่อเพื่อที่จะเอาตัวครอบออกซิเจนเนี่ยครอบไปที่คอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เจ็บแล้วหลวงพ่อก็ปฏิเสธปรากฏว่าอีคืนถัดมาเนี่ยก็ หลวงพ่อก็ได้รับยารับยาจากก็เรียกว่าคุณหมอที่เป็นคุณหมอแผนปัจจุบันแต่ว่าหันไปทําก็เรียกว่าแพทย์ทางเลือกนะก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่าโฮมิโอพาธีในการรักษาหลวงพ่อหลว ง, งพ่อก็ได้รับยาวันนั้นปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยก็เราก็ขอขอโอกาสหลวงพ่อให้ออกซิเจนหลวงพ่อตามตามที่เรามองเห็นว่า หลวงพ่อน่าจะได้รับอย่างนี้ปรากฏหลวงพ่อก็ปฏิเสธไม่เอาก็นึกอยู่ในใจว่าหลวงพ่อคงเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยอยากก็บอกว่าจะโน้ตบอกว่าก็ยังไงต้องขอรบกวนหลวงพ่ออีกครั้งนึงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพ่อขอรบกวนว่าว่ายังไงก็จะจะขอยืนยันให้ออกซิเจนเนี่ยหลวงพ่อก็เขียนหนังสือบอกเราบอกว่าหายใจดี วันนี้หายใจโล่งตั้งแต่นั้นมาก็หลวงพ่อก็ไม่ได้ออกซิเจนไม่ได้ไม่ได้ขอออกซิเจนมาในช่วงสองเดือนหลวงพ่อตั้งแต่ฉันอาหารไม่ได้นี่เนาะปรากฏว่าในวันที่ยี่สิบหกกุมภาเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องเจาะคอช่วยหายใจอีกอันหนึ่งเนื่องจากว่าตัวก้อนเข้าไปคล้ายๆว่าไปเบียดหลอดลมทําให้หายใจไม่ได้ นาทีนั้นเนี่ยก็จำได้ว่าคือคุณหมอหลังจากตรวจปุ๊บเนี่ยก็ออกมาบอกเราบอกว่าต้องเจาะขอช่วยหายใจด่วนก็ถามคุณหมอบอกว่าด่วนอ่ะด่วนแค่ไหนก็คุณหมอก็บอกว่าต้องเดี๋ยวเนี่ยถามคุณหมอมอสทาไมต้องเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าถ้าไม่เจาะตอนนี้เนี่ยไม่รู้หลวงพ่อจะหยุดหายใจตอนไหนหออก็ คือนาทีนั้นเนี่ยก็ทุกคนนะฮะก็พยักหน้ามาเจาะก็เจาะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเจาะแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรแค่ไหนยังไงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็หลวงพ่อก็ได้หายใจอย่างนั้นก็ปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อก็ต้องให้อาหารทางสายยางแล้วก็ต้องใช้หลอดคอช่วยหายใจ ทั้งสองส่วนเนี่ยก็เป็นส่วนที่เหมือนกับว่าตั้งแต่วันที่26่สิบหกกุมภเป็นต้นมาข้างบนเนาะจะเป็นปากก็ดีจะเป็นจมูกก็ดีเนี่ยก็ต้องเรียกว่าใช้ไม่ได้อีกแล้วนะอย่างนั้นก็คือจมูกก็ไม่สามารถหายใจได้เลยปากก็ไม่สามารถกลืนอะไรได้เลยน้ำลายก็กลืนไม่ได้นะอย่างเงี้ยอย่างนั้ น, น, นตั้งแต่วันนั้นมาหลวงพ่อก็บอกบอกว่าคือ บททวติงใช่ไหมที่เป็นบท32อาการ32เนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าต้องเพิ่มเข้าไปอีกสองรายการก็คือรายการที่หนึ่งก็คือเป็นรายการที่เป็นสายยางให้อาหารอีกรายการหนึ่งก็คือเป็นรายการหลอดคอที่เพิ่มเข้ามาช่วยหายใจ <c oughs> ก็เป็นอาการ34แต่นะอย่างนั้น <c oughs> ก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็ยังแบบกลยกลายว่าอยู่กับ โรคภัยแค่เจ็บอย่างที่หลวงพ่อก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เป็นโศกอะไรนะฮะหลวงพ่อก็อย่างนี้วันที่23ตอนเช้าเนี่ยหลวงพ่อก็ขอพลิกตัวเพราะเวลาที่ให้ออกซิเจนมันจะมีสายยางยาวๆอันนึงเนาะที่ที่มาต่อกับมาต่อกันหน้ากากที่ครอบครอบครึงไอ้ครอบหลอดหายใจของหลวงพ่อตรงนี้ หลวงพ่อจะพลิกตัวหลวงพ่อก็จะบอกเราเพื่อนอั่งจางว่าถ้าพลิกตัวแล้วก็บางทีสายจะหลุดอย่างเนี้หลวงพ่อก็บอกเราบอกว่าหลวงพ่อขอพลิกตัวปรากฏว่าพระจารโนตก็อยู่ใกล้หลวงพ่อเนาะพระจานโนตก็ไปพระจานโนตก็สิ่งที่เห็นก็คือเช้าวันนี้หลอดหลอดหายใจของหลวงพ่อเนี่ยถูกดันออกมาประมาณสักสองนิ้วเกือบจะหลุดต้องเรียกว่าเกือบจะหลุดตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า ในใสายตาของพวกเราก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆพอะย้อนกลับไปสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อกคยหยุดหายใจครั้งหนึ่งด้วยเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าหลอดหายใจหลุดออกมาแล้วก็ไม่สามารถใส่กลับเข้าไปได้หลวงพ่อก็หยุดหายใจไปประมาณ3นาที4นาทีเล่านั้นเลยเนี่ยพอคราวนี้สถานการณ์นี้ที่เห็นเนี่ยพระจน์โนธ ท, ที่เป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าทีมดูแลหลวงพ่อเนะอาะพระจันทร์โนธก็บอกให้ท่านอ่าน แปลว่าไปบทยาบทยายาเด็กซ่านะจะเป็นยาลดอาการบวม1ิบวันสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยานี้เนี่ยช่วยให้อาการบวมของหุวงพ่อเนี่ยลดลงภายในเวลาประมาณ20นาทีแล้วก็ก็เรียกว่า<ม>ดันดันหลอดคอเนี่ยกลับเข้าไปได้เข้าที่นะแล้วหลวงพ่อก็อยู่มาได้ต่อมาจกนกระทั่งถึงวันที่23สายัางดีอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าโนธก็สั่ง ท่านอ่นบอกว่าไปบทยามันเลยในขณะที่พระเจ้าโนตก็ไปเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมฉีดยานะฉีดเด็กซ่าเข้าไปที่แต่ ว, ว่านอกจากกินก็ต้องฉีดด้วยเพราะว่าสถานการณ์นะั้นดูไม่ค่อยดีเลยอย่างนี้นะอยนู่นั้นพระเจ้าโนก็บอกบอกว่าให้ให้ผมเนาะแบบว่าดูแลเรื่องการครอบหน้ากากออกซิเจนแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการช่วย หลวงพ่อหายใจด้วยออกซิเจนก็ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตีสี่เนี่ยจถึงถึงตีห้าก็ได้ทำหน้าที่นั้นตลอดก็คือเอาออกซิเจนเนี่ยจาตรงช่องนะช่องหายใจของหลวงพ่อปรากฏว่าพวกเราก็นะคนหนึ่งก็ท่านอันก็มากรอกยาใส่เรียกว่ากรอกยาใส่ใส่สายทางหน้าท้องหลวงพ่อพรเจโนต์ก็เปิดก้นหลวงพ่อแล้วก็ฉีดยาเนาะ คือถ้าเป็นภาพก็คนหนึ่งก็เรียกว่ากำลังเจาะท่อหายใจอยู่อีกคนหนึ่งก็จะไม่ให้ยาทางข้างหน้าอีกคนหนึ่งก็ฉีดยาที่สะโพกอะไรอย่างเงี้ยนะคือภาพตอนนั้นเนี่ยก็แต่ละคนแต่ละคนก็ทํางานกันชลมุญวุ่นวายเพราะเรื่องอย่างว่าเราก็ดูว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยมันก็หลวงพ่ออาจจะหยุดหายใจได้ง่ายๆอย่างเงีย้ย คุกคลักกันอยู่อย่างนี้เนาะก็มีท่านอาจารย์ด้วยอีกรูปหนึ่งนะสี่รูปก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือต่า ง, า ง, างๆนานาเหล่านี้ประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะจําได้ว่าตอนที่กดกดตัวทิ้วตัวนี้นะเข้าไปเนี่ยหลวงพ่อก็จะมีสีหน้าที่บอกเราบอกว่ามากกว่านี้ไม่ได้ละเพราะว่าเจ็บแล้วก็ที่หลวงพ่อ มีสัญญาณบอกเจ็บอีกอันนึงก็คือพอเรากดปุ๊บเนี่ยเราก็จะจะจับตรงประมาณลิ้นปีกตรงเนี้ยเนาะว่าว่าทําหน้าตาบอกเราแบบว่าเจ็บนะหลวพอพูดไม่ได้นะฮะตั้งแต่จาะคอมาวันที่ยี่สิบหกกุมภาหลวงพ่อก็ใช้วิธีการสื่อสารผ่านการเขียนตลอดหรือแม่ก็ใช้มือใช้สีหน้าท่าทางอะไรตามหน้าห น, น, น้าเหล่านี้บอกก็ปรากฏว่า ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็อิหลุกรุกรักกันอยู่นะหลวงพ่อก็ปัดปัดมือพวกเราน้อยหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าขอเข้าห้องน้ำนะอย่างนั้นปรากฏว่าหลวงพ่อก็เข้าห้องน้ําเดินเข้าห้องน้นะํานั้นลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำหลวงพ่อเวลาที่ลุกเวลาที่นั่งเนะนี่ยนะหลวงพ่อจะลุกนั่งแบบที่เรียกว่า รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวมีสติกับการลุกกัร น, นั่งดีมากๆนะฮะหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็ประคองตัวด้วยการจับด้วยการอะไราตา น, นานาไม่มีการพลวดพลาดในการเดินไม่มีอะไรต่างๆก็ค่ อ, คอยๆเดินเข้าห้องน้ําพวกเราก็แต่ละคนก็ทําหน้าที่กันนะใช่ไหมตัวผมเองก็เอาออกซิเจนเนี่ยคอยจ่อไม่ให้พ้นไม่ให้พ้นจากท่อหายใจตรงนี้นะท่านอั้นก็อาจจะช่วยเข็นตัว ถั ừ ừ ừ, งออกซิเจนหรืออะไรก็จําไม่ได้นะแต่ว่าสองสาคนเนี่ยก็ช่วยกันเพื่อที่ว่าจะให้หลวงพ่อเข้าห้องน้ําได้โดยที่ไม่ขาดออกซิเจนเนี้ยก็พวกเราก็ทําหน้าที่ล้อมหน้าล้อมหลังหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อก็เดินเข้าห้องน้ําเป็นปกติมากเลยหลังจากอึหลังจากฉีก่ในห้องน้าที่พวกเราก็อยู่ตรงนั้นกันอะไรเงี้ย น, นะหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมาจากโถแล้วก็มาล้างหน้าล้างตาแล้วก็ ล้างมือเรียบร้อยหลวงพ่อพก็เดินกลับมาที่เตียงแล้วก็กลับมานอนอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้อย่างนั้นหลวงพ่อพก็นอนตะแคงนอนตะแคงด้านขวาเหมือนสีหาส่ญาติอย่างนี้นะหลวงพ่อพก็ตะแคงด้านขวาปกติก็ช่วงนั้นก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรยังไงพระจนนันโนตก็บอกบอกว่าให้วัดออกซิเจนหลวงพ่อเพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับการเคลื่อนไหวตรงนี้อาจจะทําให้ หลวงพ่อมีอาการผิดปกติเพื่อไี้ว่าจะได้รายงานไปที่คุณหมอตองตอนนั้นหมอตองยังมาไม่ถึงนะพระจันทร์โนนก็จะใช้วิธีโทรศัพท์ถามอาการแล้วก็ปรึกษาว่าจะทำยังไงดีปรากฏว่า15นาทีสุดท้ายก่อนที่จะถึงตี5เนี่ยวัดออกซิเจนที่นิ้วหลวงพ่อเนี่ยปรากฏว่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยก็มีอยู่98แสดงว่าการหายใจของหลวงพ่อเนี่ยยังมีคุณภาพที่ดีมากๆ ออกซิเจนในเลือด ก, ก็สูงมากๆเนี่ยแต่สิ่งที่ผิดไปหน่อยหนึ่งก็คือก็เรียกว่าชีพจรสูงก่อนหน้านี้ตอนช่วงตีสี่นี่ออกซิเจนหลวงพ่อได้ก็เรียกว่า97แล้วก็ชีพจรได้70ก็ถือว่าดีมากๆนะตอนที่พวกเรามองเห็นว่าวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ปรากฏว่าตอนนั้นหลวงพ่อก็หายใจดีและก็ชีพจรก็ดีมากๆนะฮะอย่างนั้น ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็เหมือนกับก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะพระเจ้โน้ตก็ปรึกษาหารือแล้วก็ดูว่าจะทํำยังไงดีอะไรต่างๆนานาล่านั้นก็ผมเองก็ทําหน้าที่จาะออกซิเจนอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อปรากฏว่าอีกประมาณสักไม่ถึงห้านาทีถัดมาเนี่ยหลังจากที่วัดว่าออกซิเจนในเลือดหลวงพ่อดีเนี่ย ก็ปรากฏว่าเสียงหายใจของหลวงพ่อก็เปลี่ยนไปได้ยินชัดเจนเพราะเนื่องจากว่าหน้าหลวงพ่อกับหน้าเราเนี่ยก็ห่างกันอยู่ประมาณขนาดนี้เนาะอยนี้ก็พอเสียงหายใจเปลี่ยนไปก็หันหน้าไปมองพระจั น, นทนรสเนาะก็บอกพระจนโนทร์ว่าเสียงหายใจหลวงพ่อเปลี่ยนอย่างนี้ก็พอเราหันกลับมาเนี่ยก็ปรากฏว่าหลวงพ่อก็ ทำไม้ทำเมอบอกว่าขอกระดาษขอดินสอเขียนอะไรก็ยื่นกระดาษยื่นดินสอให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เขียนเนาะเขียนเขายุดขยิกก็เลย อ, อยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็ส่งกระดาษให้พระจนนันทร์นธพระจันทร์นธรับกระดาษแล้วพระจันทร์นธก็บอกว่าอ่านไม่ออกแล้วพระจันทร์นธก็วางไว้แต่ในขณะที่หลวงพ่อส่งกระดาษให้เนี่ยหลวงพ่อก็ ส่งกระดาษให้แล้วหลวงพ่อก็วางประกาพอวางประกาเสร็จเรื่องแล้วหลวงพ่อก็ยกมือไหว้ใพวกเราอย่างเงี้ยก็แล้วหลวงพ่อก็นอนลืมตาสบายๆเนาะก็เหมือนกับว่าก็ไม่ได้มีอะไรก็ให้พวกเราอ่านตรงนั้นแล้วก็หลวงพ่อก็ทําหน้าที่ของหลวงพ่อด้วยกันเขียนหนังสือเสร็จหลวงพ่อหลวงพ่อก็นอนลืมตาสบายๆอีกแป๊บนึงก็ปรากฏว่า ได้ได้ยินเสียงลมหายใจของหลวงพ่อหยุดลงคือในขณะที่ปราชญ์นโนดจีบกระดาษไปอ่านอะไรต่างๆหน้าๆนเหล่านี้ก็ผมก็คอยฟังเสียงลมหายใจของหลวงพ่ออยู่คอยสังเกตใบหน้าท่าทางของหลวงพ่ออยู่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากที่บอกว่าหายใจไม่สะดวกตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าเสียงลมหายใจก็ ดังขึ้นดังขึ้นนะหมายถึงว่าหลวงพ่อก็พยายามเหมือนกับว่ามีความพยายามในการหายใจมากขึ้นว่หายใจได้ยากขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เสียงลมหายใจก็หยุดลงเราก็ได้ยินเสียงเมื่อกี้เสียงได้ยินชัดๆตอนนี้ก็ไม่ได้ยินอีกแล้วอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอลมหายใจหยุดลงแปบเดียวเท่านั้นเองก็ มองเห็นตาหลวงพ่อที่ลืมอยู่ ส, สบายๆเนี่ยก็เหมือนจะเรียกว่าแข็งเนาะแข็งนิดหนึ่งแล้วพอหลังจากที่มีการแข็งนิดหนึ่งหลวงพ่อก็หลับตาลงผลับตาลงก็มองหน้าพระจันทร์โนตตัวผมก็มองหน้าพระจันทร์โนตนะก็ว่าเหมือนกับเรา สงสัยหมดหวังแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคือหมายถึงในในใจก็สงสัยตามบอกว่าจะโนดอย่างนั้นอย่างเงี้ยพอหันกลับมาที่หลวงพ่อทีหลวงพ่อก็ขอขนาดที่นอนนอนตะแคงอยู่เนาะอย่างเงี้ยคอเขาก็พับลงอย่างเงี้ยหมดแรงฝืนอย่างนั้ น, แ, น, น, นแล้วก็น้ํามูกก็ไหลน้ํำลายก็ไหล แล้วก็อีกเดี๋ยวนึงน้องเพล็กก็ฉี่ฉี่ลาดเกินเกงก็สัญญาณ สัญญาณตรงนั้นก็เป็นสัญญาณสุดสุดท้ายก็ไม่ทันที่พระอาจารย์เปสานจะไปถึงพวกเราก็พระอาจารย์โนดก็บอกให้เมี่ยวถือ่มารอบอกพระอาจารย์เปสานขึ้นไปกราบหลวงพ่อ ในนาทีสุดท้ายแต่ก็หลวงพ่อก็หมดลมหายใจเนาะแล้วก็เราก็สังเกตดูร่างกายของหลวงพ่อในตอนนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะแสดงถึงสัญญาณของความมีชีวิตก็หลังจากที่หลวงพ่อขอพับไปน้ำลายยืดน้ำมูกไหลตรงนั้นก็หลวงพ่อก็มีอาการเบาๆ เ, เล็กๆ อีกสักสองครั้งเนาะอย่างนั้นน้อยๆก็พอพระอาจารย์ไปสารขึ้นไปก็เสร็จเรียบร้อยพวกเราก็พลิกเนาะพลิกหลวงพ่อกลับมาเพื่อเพื่อจะได้จัดการแต่งเนื้อแต่งตัวแบบว่าทำความสะอาดร่างกายหลวงพ่อก็พระจันโนต์ก็เป็นคนพลิก ผมเองก็บอกพอระเจโนตบอกว่าตามที่หลวงพ่อเคยบอกนะพระเจโนดดูหน้าดูใบหน้าหลวงพ่อด้วยดูจัดหน้าหลวงพ่อด้วยดูดูจัดหน้าลหาลวงพ่อให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ในขณะที่บอกก็มองไปที่หน้าหลวงพ่อเนาะหน้าหลวงพ่อที่ที่งายกลับออกมาให้อยู่ในท่านอนงายเนี่ย ก็เรียบร้อยทุกอย่างเราไม่ต้องทำอะไรตาก็ปิดเบาๆสบายๆปากก็ปิดเรียบร้อยเนาะอาจจะมีรอยเลอะของน้ำลายบ้างอะไรบ้างก็แต่ว่าก็ไม่ได้บูดเบี้ยวอะไรก็อยู่ในสภาพที่เราไม่ต้องจัดแต่งอะไรนะมือไม้หลวงพ่อก็วางอยู่ในตาแหน่งที่สบายสบาย นะฮะตรงนั้นเท้าก็ดีอะไรก็ดีก็อยู่ในอาการที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงไม่ได้ปืนไม่ได้เห็นว่าอาการที่หายใจไม่ได้ตรงนั้นจะเป็นอาการอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมายก็เป็นคล้ายๆว่าถ้าหากว่าพวกเราจะมองว่า 15นาทีสุดท้ายเป็น15นาทีที่หลวงพ่อหายใจยากของหลวงพ่อเองก็คงไม่ได้ว่าหายใจยากก็ตอนนั้นก็หายใจได้อย่างนั้นก็ยอมหลับนะอย่างนั้นหรือว่านาทีที่ลมหายใจไม่สามารถหายใจต่อไปได้เพราะเนื่องจากว่าถูกอุดตันตรงนี้เนหลวงพ่อเองก็หยุดหายใจด้วย โดยที่บอกว่าก็มีตาที่แข็งนิดหนึ่งนะอย่างนั้นแปบ๊บเดียวเซียวินาทีเล็กๆแล้วก็หลับตาลงก็เป็นปกติมากๆนะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่านาทีนั้นเป็นนาทีของความตายหรือว่าเป็นนาทีของอะไรที่ผิดปกติไปอาการของหลวงพ่อตรงนั้นก็ช่วยให้พวกเราที่ ดูแลอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ลุกรี้ลุกลนอะไรมากก็คือยอมรับสภาพแต่ว่าอาการของการที่ดับจะเรียกว่าดับไปดับไม่เหลือของหลวงพ่อก็ ก็ปรากฏให้เราเห็นเหตุการณ์ก็จบลงตรงนี้พวกเราก็เตรียมแต่งเนื้อแต่งตัวหลวงพ่ออะไรต่างๆนานาแล้วก็ก็ทำตามที่หลวงพ่อต้องการก็คือย้ายร่างหลวงพ่อไปที่ ไปที่วัดภูเขาทองนะแล้วก็เรื่องรล่าก็ดำเนินการต่อมาจนกระทั่งถึงนาทีนี้ก็กราบ กลาบหลงพ่อกำเขียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเรากลาบภาพพร้อมกัน